งวันนี้จะกล่าวถึงการปฏิบัติทางจิตสืบต่อไปได้กล่าวมาแล้วในหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตและหมวดธรรมะถึงข้อให้กำหนดอายตนะซึ่งมีแนวการปฏิบัติเนื่องกันมาโดยตลอดด้วยตั้งจิตให้เป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์ข้อหนึ่งให้เป็นหลักอารมณ์ที่ให้ตั้งเป็นหลักไว้นั้นคืออาณาปานสติสติกาหนดลมหายใจเข้าออก แต่ก็ให้กำหนดตรวจกายให้ทั่วๆไปด้วยแล้วมาพักอยู่ที่ส่วนอาณาปานะเมื่อประสบเวทนาอันใดเมื่อจิตเป็นอย่างใดก็ให้รู้เพื่อมีให้เป็นอันตรายแกสมาธิในอาณาปานาสติประคองอาณาปานาสตินั้นแล้วก็ให้ตรวจดูอาการของจิตคือว่าแยกออกไปจากจิตคือดูนิวรในจิตที่ล่อแหลมอยู่ ก็คือง่วงกับฟุ้งดังที่กล่าวแล้วนอกจากนี้ก็สงสัยแต่ถ้ามีสติตื่นอยู่ม่วงก็จะไม่เกิดฟุ้งก็จะไม่เกิดและเมื่อคอยระงับตัณหาคือตัวอยากที่จะประสบผลไว้สงสัยก็ไม่เกิดประคองอาณาปณะสตินั้นไว้แล้วก็สำรวจ ด, ดูขันดูอายตนะสืบต่อไป พอให้รู้ทางเกิดของนิวรแต่ในขั้นนี้ก็พอให้รู้ลูกทางไว้เท่านั้นต้องการให้ประคับประคองอาณาปานาสติไว้ให้เป็นจุดเดียวไม่เช่นนั้นก็จะฟุ้งซ่านใจแตกไม่รวมคราวนี้จะย้อนมาเตือนให้ระลึกถึงหลักของการปฏิบัติที่ทิ้งไม่ได้คืออาตาปี มีความเพียรไม่เกียจคร้านย่อหย่อนตั้งสัจจะว่าจะทำก็ต้องทำสัมปชาโนมีความรู้ไม่ให้เผลอตัวให้รู้ตัวทั้งที่เป็นส่วนรูปกายให้รู้ว่านั่งอยู่อิริยาบถอย่างไรอาการอย่างไรให้รู้นามกายความคิดเป็นอย่างไร สติเป็นอย่างไรความกำหนดเป็นอย่างไรสติมามีสติคือมีสติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ปล่อยให้สติเลื่อนลอยเมื่อจะเลื่อนลอยไปก็ต้องชักกลับเข้ามาคุมสติให้อยู่ที่และวินเนยะโลเกอภิชาโทมนสัง กำจัดความยินดียินร้ายในโลกโดยเฉพาะก็คือเมื่อเกิดความยินดีอะไรขึ้นในขณะปฏิบัติเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปรากฏนิมิต ท, ที่ชอบใจก็ตามก็ต้องระ ง, งับความยินดีเมื่อเกิดความยินร้ายขึ้นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเมื่ออึดอัดรำคาญหรือว่าประสบนิมิต ท, ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องระ ง, งับความยินร้ายนั้นความคิดก็ตามอารมณ์ก็ตามนิมิตก็ตามอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นที่จะล่อให้ยินดียินร้ายก็ต้องละทั้งหมดหลักอันนี้ทิ้งไม่ได้คนที่ทําการปฏิบัติและสติเสียไปก็เพราะเหตุว่าทิ้งหลักอันนี้ทำไม่สำเร็จก็เพราะขาดอาตาปี มักจะสะดุ้งเหมือนยังเป็นโรคประสาทก็เพราะขาดสัมปชาโนโอใจลอยคือยิ่งทำสมาธิไปยิ่งเป็นคนใจลอยเผลอเผลก็เพราะขาดสติมาปั้มเป๋ออะไรไปบ้างก็เพราะขาดการกำจัดความยินดียินร้ายในความคิดในอารมณ์ในนิมิตอะไรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติแล้ว หลักทั้งสี่นี้ทิ้งไม่ได้ยิ่งทําสมาธิละเอียดขึ้นเท่าใดหลักทั้งสี่นี้ก็ต้องละเอียดยิ่งขึ้นเท่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติในสมาธิในเบื้องต้นก็จะได้อุปจาระคือว่าสมาธิเฉียดเียดก่อนแล้วก็จะได้อัปปนาคือแนบแน่นเข้าโดยลําดับ ต้องอาศัยอุปกรณ์คือ 1. วิตก 2. วิจารณ์วิตกนั้นได้แก่การนำจิตเข้ามาสู่อารมณ์ของสมาธิที่เปรียบเหมือนอย่างการเคาะระคังขึ้นทีแรกวิจารณ์นั้นได้แก่การนำจิตให้คลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์เหมือนอย่างเสียงกลางของระคัง ในตอนตอน้นจะต้องใช้วิตกวิจารยอยู่เรื่อยคือเมื่อชักจิตเข้ามาอยู่กับอารมณ์จิตก็มาจะหลุดออกไปรับออกไปโน่นรับออกไปนี่ก็คอยๆชักกลับเข้ามาอยู่เสมอโดยต้องใช้อยู่เสมอจนจิตค่อยเชื่องเข้าและค่อยแนวอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเรียกว่าคลุกคล้าวอยู่กับอารมณ์ของสมาธิเมื่อจิตเริ่มคลุกคล้าวเข้ามาดังนี้ ก็เริ่มเป็นวิจาร์เมื่อค่อยเป็นวิจาร์ขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะได้อุปจาระคือเฉียดเฉียดเข้ามาแล้วเมื่อเฉียดเฉียดเข้ามาดังนี้ก็เริ่มจะได้ปีติความอิ่มกายอิ่มใจบางทีก็ถึงกับคนลุกสู้ได้สุขคือความสบายกายสบายใจ แต่ก็อย่าให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะท้าสุขฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุขก็เสียสมาธิต้องคอยคุมสติไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเพราะปีติเพราะสุขและเมื่อกายใจเป็นสุขจิตก็จะตั้งมั่นเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์เดียวซึ่งเกิดจากวิเวก ค, คือสงัดจาักราม และจากอากุศลธรรมทั้งหลายเราในเวลานั้นกามก็สงบไปจากจิตอากุศลธรรมก็สงบไปจากจิตเมื่อถึงขั้นนี้จึงชื่อว่าได้อปปนาสมาธิขั้นแรกเป็นสมาธิที่แน่วแน่เรียกว่าได้ปถมฌานคือความเพ่งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปถมฌานจึงมีองค์ห้าคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคกะตาคราวนี้เมื่อรักษาเอกคกะตาอันนี้ไว้สนิทแนบเนียนยิ่งขึ้นวิตกวิจารก็เลิกใช้เพราะว่าจิตก็หนึ่งแล้วไม่ต้องคอยเฝ้าชักจิตเข้ามาสู่อารมณ์ซึ่งเรียกว่าวิตกไม่ต้องคอยเฝ้าประคองจิตไว้ให้แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ ซึ่งเป็นวิจารณ์เพราะว่าจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ได้แล้ววิตกวิจารณ์ก็หมดหน้าที่เอกคตานั้นก็ละเอียดเข้าเรียกว่าเกิดจากสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นเอกคตาข้างในเข้าเมื่อถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าได้ทุติยชาญความเพ่งที่สองมีองค์สาม คือปีติสุขเอกคตา <deposits. S 1> เมื่อรักษาเอากคตาอันนี้ไว้ให้แน่วแน่นยิ่งขึน้นความรู้สึกสู้่าทางกายทางจิตซึ่งเป็นปีติก็สงบเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นปีตินี้มีในจิตยังไม่เป็นเอกคตาเต็มที่เมื่อเป็นเอกคตาเต็มที่ ปติคือความรู้สึกสู้ซาก็กลายเป็นของหายไปก็สงบไปเมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็นตติยะฌานความเพ่งที่สามซึ่งมีองค์สองคือสุขกับเอกัคตาเมื่อรักษาเอกัคตาอันนี้ให้แนวแนยิ่งขึ้นก็สิ้นความรู้สึกเป็นสุขกลายเป็นอุเบกขา คือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะเมื่อยังรู้สึกเป็นสุขอยู่จิตก็ยังแย่งมารู้สึกก็แปลว่าจิตยังเป็นสองงามคือว่าแนวอยู่กับอารมณ์ด้วยรู้สึกด้วยเมื่อเอกคตาละเอียดเข้าจิตก็มารวมอยู่กับเอกะขะตาอันเดียวไม่ออกมารู้สึกข้างนอกลักษณะอันนี้ก็เป็นอุเบกขาคือไม่ทุกข์ไม่สุข เมื่อถึงขั้นนี้ก็เป็นจตุทถาชานคือฌานที่สี่มีองค์สองคือเอกคัคคตาอุเบคาในทางปฏิบัตินั้นจะปฏิบัติทมสมาธิให้มากเกลื่อยขึ้นไปจนถึงฌานชั้นที่สี่หรือจะเอาแต่ฌานชั้นที่หนึ่งก็ได้ที่สองก็ได้ที่สามก็ได้ ที่เป็นเอกคักาตาแม้ด้วยฌานชั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นจิตที่อ่อนที่ควรแกการงานพอที่จะใช้ปฏิบัติในวิปัสนาสูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็น้อมจิตที่เป็นเอกคคตตนั้นไปจับพิจารณาเบญจขันธ์ที่เคยตรวจดูมาคราวหนึ่งอย่างคร่าวๆแล้วให้ชัดเจนตรวจดูอายตนะ ตรดดูให้รู้จักหน้าตาของเบชจคันว่ารูปมีลักษณะนหน้าตาอย่างไรเวทนามีลักษณะนหน้าตาอย่างไรสัญญามีลักษณะนหน้าตาอย่างไรสังขารมีลักษณะนหน้าตาเป็นอย่างไรและตรวจดูทางเกิดนามธรรมคือทางเกิดของเวทนาสัญญาสังขารก็ตรวจสืบไปถึงอายตนะ ดูลักษณะหน้าตาของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายมณนะหรือใจดูลักษณะหน้าตาของอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลถัพพะสิ่งต้องกายธรรมะคือเรื่องราวหรือธรรมอารมณ์อารมณ์ทางใจสิ่งที่ใจคิดใจนึกนามธรรมเกิดขึ้น อาศัยอายตนะกระทบกันคือเกิดผัสสะและเมื่อสิ้นวาระก็ดับไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปเกิดเวทนาความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเฉยเฉยเกิดสัญญาความจาได้หมายรู้ในรูป เกิดสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดในรูปในตอนนี้เองสังโยชน์คือเครื่องผูกก็เข้ามาผูกอารมณ์ไว้กับจิตเมื่อผูกอารมณ์ไว้กับจิตถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของสันทราคาก็เกิดการ ม, มาฉันถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโทสะก็เกิดพยาบาท ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของโมหะก็เกิดทีนามิธะความหดหูง่วงเหงาซึมเศร้าอุทธจกักกุจจะกความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจชาความลังเลสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอันว่าอายตนะนี่เองนำให้เกิดนามธรรมนำให้เกิดเครื่องผูกจิต คือผูกจิตไว้กับอารมณ์หรือผูกอารมณ์ไว้กับจิตแล้วก็นำให้เกิดนิวรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ตั้งสติมั่นคงให้เป็นตัวรู้ตัวตื่นอยู่ตามเป็นจริงเมื่อตั้งสติมั่นเป็นตัวตื่นตัวรู้อยู่ดังนี้ก็เป็นสติสามโพชงขึ้นก็ยอมจะเกิดปัญญาวิจัย คือว่าแยกออกได้เป็นส่วนๆ ว, ว่านี่เป็นเบญจขันคือนามรูปนี่เป็นอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นสังโยชน์ผูกใจเขาแล้วนี่เป็นนิวรดูจนวิจัยออกไปได้ดังนี้ก็เป็นธรรมะวิจยสัมโพชงเมื่อวิจัยออกไปได้แล้วก็ทําหน้าที่ละโวนที่เป็นกิเลส อบรมส่วนที่เป็นสติให้มากขึ้นแต่ว่าในขั้นนี้นั้นละเป็นสำคัญคือละส่วนที่เป็นกิเลสออกไปเสียด้วยวิธีป้องกันอย่างหนึ่งละอย่างหนึ่งคือมีสติวิจัยอยู่อายตนะก็จะไม่เป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน์แต่ว่าถ้าเผลอสติอายตนะ ก็จะเป็นทางก่อกิเลสตั้งต้นแต่สังโยชน์ถ้าก่อขึ้นในใจก็ต้องดูดูให้รู้ว่านี่กิเลสจนกิเลสสงบก็ชื่อว่าละด้วยการดูให้รู้อันนี้เรียกว่าเป็นวิริยะสัมโพชงเมื่อลากิเลสออกไป ก็ฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นผลคือปีติก็เกิดขึ้นเป็นปีติที่ละเอียดคือเป็นความดูดดื่มใจอันเกิดจากการวิจัยการละส่วนที่เป็นกิเลสออกไปเป็นปีติที่ประกอบด้วยความสุขอยู่ในตัวทำให้สุขกายสุขใจมีความละเอียดยิ่งขึ้นเป็นปีติสุขที่ละเอียดกว่าปีติสุขในสมาธิ อันนี้ก็เป็นปีติสัมโพชงเมื่อเป็นปีติสัมโพชงใจก็ตั้งมั่ น, นแนวยิ่งขึ้นก็เป็นสมาธิสัมโพชงเมื่อใจมั่ น, นแนวยิ่งขึ้นก็เพ่งดูธรรมะนั้นด้วยจิตสมาธินั้นคือดูความจริงที่ปรากฏขึ้น กิเลที่อาศัยอายตนะเกิดสงบความจริงของปัญจขันธ์หรือเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าไม่ปรากฏก็เพราะไม่ดูหรือว่าดูแต่ว่ายังมีฝ้าอยู่ในจิตปิดบังไว้เมื่อชำระฝ้าในจิตออกไปเสียได้และใช้จิตที่บริสุทธินั้นดูปัญจขันธ์ดูลักษณะนหน้าตาของปัญจขันธ์นั้นนั่นหละให้ปรากฏ ความจริงของปัญจขันธ์ก็จะปรากฏขึ้นดูอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปตกแต่งความจริงเพราะถ้าไปตกแต่งความจริงเป็นความจริงที่ตกแต่งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ความจริงที่แน่าแท้ดูให้ความจริงนั้นให้ปรากฏเป็นความจริงขึ้นเองดูที่ไหนก็ดูที่ปัญจขันธ์อันนี้ เมื่อดูอยู่ด้วยสมาธิจิตที่เป็นสามโพชงก็เป็นอุเบกขาสามโพชงฉะ น, นั้นเมื่อการปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ก็เลื่อนจากสมาธิมาปฏิบัติขั้นปัญญาหรือเลื่อนจากขั้นสมาธะมาในขั้นวิปัสนาเมื่อมาถึงขั้นวิปัสนาแล้วก็ต้องยกปัญจขันขึ้นเป็นอารมณ์ ในขั้นของสมถ า, านั้นยกอานาปานสติเป็นอารมณ์เมื่อมาถึงขั้นวิปัสนายกปัญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์เมื่อยกปัญจขันธ์เป็นอารมณ์ก็ดำเนินมาตั้งแต่ขึ้นสติสัมโพชงเป็นลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชงพิจารณาตรวจดูแล้ว จะปฏิบัติในสมาธิหรือจะลองหัดพิจารณาในด้านวิปัสสนาก็ได้ถ้าพิจารณาในด้านวิปัสสนาก็ยกปัญจขันธ์ขึ้นเป็นอารมณ์ดูปัญจขันธ์ดูอายตนะภายในภายนอกดูสังโยชน์ดูให้รู้ให้ทั่วถึงแล้วก็วิจัยว่าอันไหนเป็นอะไรเป็นอย่าง แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นวิริยะคือว่าละละด้วยดูให้รู้ส่วนที่เป็นกิเลสก็จะสงบแล้วผลก็เป็นปีติเมื่อเป็นปีติเป็นสุขแล้วก็จะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาอุเบกขานั่นก็ไม่ใช่อื่นก็กลับมาดูปัญญั น, นั้นให้ความจริงของปัญญานั้นปรากฏ นี้เป็นแนวปฏิบัติในขั้นวิปัสนาตามสติปัฏฐาน